แล้วก็ทรัพย์ติดต่อไปก็คือทรัพย์คือปัญญาเนี่ยนะทรัพย์ปันคือปัญญาคือรู้เหตุเกิดแห่งวัตทุกข์ว่าวัตทุกข์เกิดเพราะอะไรเกิดได้อย่างไรแล้วก็รู้ความดับไปแห่งวัตทุกข์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะเราน่าจะดีใจยอยู่อย่างหนึ่งว่าวัตะของเราเนี่ยดําเนินไปอย่างไรถ้าจะสิ้นสุดแห่วัตะเนี่ยสิ้นสุดอย่างไรอันนี้เราเราตอบคําตอบอันนี้ได้หรือย่างถ้าตอบได้นะ ก็แสดงว่าเป็นผู้มีทรัพยแล้วแต่ถ้ายังตอบไม่ได้เลยว่าเอ๊วัตตะมันไปยังไงแล้ววัตตะมันจะดับได้ยังไงถ้าตอบยังไม่ได้ก็ก็คือคนยากนะเนีเหตุเกิดกับความดับแห่งวัตตทุกมันเป็นยังไงวัตตทุกขเกิดได้อย่างไรแล้วก็ถ้าวัตตทุกจะดับดับได้ยังไงอันทาริยมักเกิดขึ้นก็สํารอกอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือใช่ไหมถ้าวิชาดับสังขารก็ดับถ้าสังขารดับ วิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตันหาพบอนั้ตันหาอุปาทานพบชาติฉรามรณาโศกกปริเทวะทุกขโทมณัตอุปาญาตก็ดับดันั้นวัตทุก็ดับได้ด้วยอาการอย่างนี้นะเพราะว่าทรัพย์คือปัญญาเป็นต้นเหล่านี้นี่นะอย่างน้อยอริยทรัพย์เหล่านี้เนี่ยถ้าว่าตรงๆแล้วสําหรับผู้ที่มีทรัพย์อนะคนที่มีทรัพย์แบบชาวโลกก็ไม่ลําบากใช่ไหม ผู้ชาวโลกข้างหลายผู้ที่มีทรัพย์ก็ไม่ลําบากไม่เดือดร้อนฉันใดผู้ที่มีอริยทรัพย์ศรัทธาศีลหิริโอตตา ป, ปะสุตะจ่าข้าปัญญาผู้ที่มีทรัพย์อย่างนี้ก็ไม่ลําบากในวะตะเนี่ยนะหมายความว่าเขาก็มีอัธยาศัยมุ่งไปเพื่อน้อมสลัดออกจากวัตะเพรนั้นผู้ที่น้อมไปเพื่อสลัดออกจากวะตะในที่สุดจะต้องทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ว่าเมื่อไหร่นะ วิริเยนะทุกขมัติเกติถ้าเพียรมากบรรลุเร็วถ้าไม่เพียรเลยก็ดาวค้างไม่ค้างฟ้าใช่ไหมยังไงยังไงก็อยตกไปเลยไปถึงอาบายก็แล้วกันนะกลับมาเป็นมนุษย์ติดก็ยังดีฉนั้นอันนี้สงของโสดาปฏิมักเป็นต้นเนี่ยนะก็ทําให้ประกอบด้วยอริยทรัพย์แล้วทําลายมิจฉามัตเสียมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณนะและมิจฉาวีมุตตภาริยทั้งหลายท่านก็จะละได้ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือทำเวรและภัยทั้งหลายให้สงบนะนะเป็นผู้ที่หมดเวรอะไรนี่เป็นเวรก็การล่วงศีลทั้งหลายนี่แหละเป็ น, เ ป, นเป็นเวรแล้วก็นามาซึ่งภัยคือสิ่งที่น่ากลัวหาประมาณไม่ได้ ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำตนเองให้เป็นลูกที่เกิดจากอกแห่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นพุทธชินอรสนะนี่เป็นบุตรที่เกิดจากอกของพระชินเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกนาถาเรียกว่าที่พึ่งของโลกหลังจากนั้นก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้ายาานี้ทำให้ได้ซึ่งอา น, นิสงส์อื่นๆอีกหลายร้อยอย่างอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์ของอริยมรรคยา ยอารยมรรคยานเนี่ยทั้งทั้งสี่เลยนะทั้งโสดาปฏิมรรคสกาธาคามรมรรคอนาคามรมรรคอรหัตมรรคเหล่านี้เนี่ยนะผู้ใดที่ปฏิบัติเจริญแล้วก็นําบุคคล น, นั้นออกจากวัฏฏทุกขโดยประการทั้งปวงนั้นอารยมรรคอันนี้แหละที่เป็นวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมนั่นนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยช่วยให้สัตว์ทั้งหลายปฏิบัติให้แทงตลอดอารยมรรคอารยมรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า แนะแนวบอกวิธีการเจริญให้มีขึ้นทุกขสัจเนี่ยก็เป็นสภาวะที่มีอยู่แล้วใช่ไหมสมุทยัยสัจก็มีสภาวะที่ได้ปัจจัยก็เกิดนิโรสัจก็เป็นอสังขตภาพที่เป็นสภาวะที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่สิ่งที่ต้องเจริญขึ้นสร้างขึ้นทําขึ้นคือมัจเนี่ยนะมัจโดยเฉพาะมัจทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่ า, าศาสนาพรมจรรย์พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลสมาธิปัญญาก็คือบัญญัติศาสนาพรมจรรย์เพื่อให้มรรคพรหมจรรย์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธาศาสนาอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาที่อบรมเพื่ออริยมรรส่วนพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่เหมือนกับว่าคนที่ป่วยนะความหายโรคเนี่ยอยู่ที่ยาหรืออยู่ที่ไหนความหายโรคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะว่ามีอยู่แล้วมันก็ใช่ แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่ในตอนนั้นน่ะนะเพราะยังไม่ไม่กินยาจนหายเ네นี่ยมันจะเรียกว่าความหายโรคอยู่ที่ไหนเนี่ยนถ้าสมมุติถ้าเราทุกคนป่วยนะแต่โรคนี้หายได้ไหมาหายได้แล้วความหายโรคมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหรือไม่อยู่อยู่ที่การกินยานะนะกระถามว่าตัวหายโรคมันอยู่กับเม็ดยาใช่ไหมไม่ใช่ตกลงแล้วเอาอยัางไงกันแน่ว่าความหายโรคอยู่ที่ยาหรืออยู่ที่ตัวคนป่วย ถ้าอยู่ที่ตัวคนป่วยไม่ต้องกินยาก็หายแต่ไม่ใช่ต่อเมื่อโรคอันนั้นเนี่ยนะตัดสมุทฐานบริโภคยาเมื่อกินยาจนถึงขนาดแล้วความหายป่วยจกักมีเองการปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ทุกละสมุทัยเนี่ยนะด้วยการอ บ, บรมอริยมรรคจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์พระนิพพานก็เป็นอันทาให้แจ้งโดยโดยโดยการปฏิบัติของตนเองแต่ถ้าเราจะไปบอกว่านิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วอยู่ตรงไหนล่ะ ได้ไหนะเคยพบไหมว่าท่านิพพานเนี่ยมีอยู่ที่ไหนไม่มีแต่ว่าธรรมชาตินั้นมีอยู่นะพิกสุทั้งหลายไม่ใช่ปัทวีธาตุไม่ใช่อาโปะธาตุไม่ใช่เตโชไม่ใช่วายโยไม่ใช่อากาสานันายตนะอันนัคือถ้ากล่าวปัทวีอาโปเตโชวายโยนะเท่ากับกล่าวถึงรูปประพบหมดแล้วเพราะตั้งแต่การมาพบไปจนถึงรูปประพบทั้งหมดไม่พน้นไม่พ้นมหาพูด ไม่ใช่อากาสารัญญายัตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายจตนะไม่ใช่อากินจัญญายัตนะไม่ใช่เนวสัญญาณาสัญญาณยัตนะเพราะฉะนั้นพระนิพพานไม่ใช่รูปและไม่ใช่อารูปที่เป็นนามแบบนี้เห็นไแต่มีอยู่นะที่พระจำพระทิศส่องไปก็ไม่ถึงไม่รู้มอยู่ตรงไหนอย่นี้นะทีนี้ก็แต่ธรรมชาตินี้มีอยู่ธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประนีตทีนี้พระพิสุก็เลยถามว่า เอพณิพามที่ว่าเนี่ยมันจะบรรลุได้ยังไงปิสรูปหนึ่งท่านก็สงสัยว่าเอแล้วสังขารธรรมทั้งหลายถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วนิพภามนี่ถูกสร้างขึ้นด้วยหรือเปล่าบอกพณิพาม น, นั้นไม่ไม่ถูกปัจจัยสร้างขึ้นส่วนข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงอสังขาภาพพระนิพามเหล่านั้นก็คือสติประธานสี่สมมติประธานสี่ที่บาทสี่อินทรี่ห้าพลห้าโพชฌงเจ็ด อ, ร, มมอริยมรรคการประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะถ้ากุศลธรรมเหล่านี้เปี่ยมล้นบริบูรณ์การแผงตลอดทระนิพพานเจียงจกักมีได้จึงจกักมีได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปค้นหาพระนิพพานที่อื่นที่นอกจากผมขนเล็บปันหนังเป็นต้นเลยเนี่ยนะเราจะว่าไปนะมีอยู่ที่นึ่ ง, งนะเขาบอกว่านิพพานนี้ปรากฏทุกเมื่อสําหรับพระริยเจ้าทั้งหลาย ก็อย่าลืมว่าพระนิพพานในในใ น, ในคำสอนของเราคืออะไรนิโรธสัจจะใช่ไหมทุกทุกขสมูทไทยทุกคานิโรธทุกขานิโรทขขาไ ม, มินีปฏิปทาเพื่อนการจะเห็นพระนิพพานตามคําสอนนี้ในพระไตรปิฎกอย่างนี้เนี่ยนะต้องระลึกถึงอริยสัจเอาไว้เสมอถ้าหากว่าพระนิพพานใดที่ไม่รู้อริยสัจสิ่งนั้นไม่ใช่นิพพานเรียกว่าเขาเห็นแล้วนิพพานกูสวยมากเลย แล้วคุณรู้อริยสัจอะไรไม่รู้ถ้าอย่างนี้นะมันเป็นนิพพานของเขาเป็นนิพพานในความคิดของเขาเป็นนิพพานในจินตนาการของเขาเขาเข้าใจว่านิพพานมันเป็นอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่ น, นิพพานของพระพุทธเจ้าก็าคือนิพพานในความเชื่อของเขานั่นเองอนะทั้งสิ่งที่เขาเชื่อเอาอะไรเป็นเครื่องรับอะ่ะเป็นเครื่องอะไรเป็นเครื่องรับรอง เพราะว่าสิ่งที่เขาเชื่อนะถ้าทุกคนเชื่อกันคนละอย่างคนละอย่างและสรุปว่าจริงๆแล้วถ้าเขาเขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยนะผู้ที่เห็นพระนิพพานซึ่งอย่างน้อยที่สุดเป็นพระโสดาบันเนี่ยเราก็มาไล่ดูกาสังโยชน์เขาละอะไรได้บ้างแล้วถ้าเขาเห็นนิพพานอย่างนั้นจริงจริงนะศีลห้าเขาดีขึ้นไหมทุกขสัตริย์ทำปริญญาแค่ไหนเป็นต้นนะซึ่งผู้ใดที่บอกว่าตัวเองแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยจริงๆแล้วตรวจสอบได้ว่าบรรลุได้จริงหรือเปล่ า, านะ แล้วก็โดยโดยหลักธรรมคาสอนเนี่ยที่เราศึกษามาก็พอที่จะเป็นเครื่องอนุมานเทียบเคียงเปรียบเทียบได้ว่าจริงหรือเท็จเนี่ยนะและอันที่จริงเนี่ยนะคนนั้นจะรู้แก่ตัวของเขาเองว่าเขาเขาบรรลุจริงหรือไม่หรือว่าเขาหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นแต่ถ้าหลอกตัวเองด้วยนะก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหลอกคนอื่นถ้าเป็นพระภิกษุนี่เป็นอาบัติเลยนะถ้าถ้า คุณธรรมเหล่านี้ไม่มีอยู่ในตนที่พระองค์ตรัสว่าอันหนึ่งที่สุได้เนี่ยนะอวดอุตริมนุสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสา ม, มารถน้อมเข้ามาในตัวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นเนี่ยนะอันคือที่พูดนั้นเนี่ยผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามคือเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามก็เป็นอันต้องอาบัตแล้วถ้าไม่จริงนะแล้วหลอกคนอื่นเนี่ย ก็เป็นต้องอาบัติแล้วถ้าตอนหลังเอ้เราใส่ไม่จริงเลยแล้วมาบอกว่าไอ้ที่ข้าพเจ้าพูดไปครั้งก่อนเนี่ยพูดเป็นเท็จ น, นะเป็นเท็จเปล่าๆคนที่จะอวดอย่างเงนะเว้นไว้แต่สําคัญว่าได้บรรลุที่เหลือเป็นปรารชิกเท่าั้นถ้าถ้าอวดว่าไม่มีอยู่ตรงเหอ น, น, นะก็มีโทษพอๆกับเสพเมถุนมีโทษกับพอๆกับลักทรัพย์มีโทษพอๆกับฆ่ามนุษย์เนี่ยนะสาหรับพิสูจนั้นก็ เรียกว่าคนคอขาดทำให้ฟื้นไม่ได้ฉันใดผู้ที่ อ, อวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนจริงด้วยความประสงจะอวดทั้งๆที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะมูสาวาาอย่างนี้เนี่ยทั่นบอกว่าเป็นอาบัติประราชิก น, นะซึ่งมีโทษถ้ายังอยู่ในเพศพระพิสูจน์เนี่ยนะอาบายอย่างเดียวเว้นไว้แต่ว่าศึกไปเป็น ราวาตหรือเป็นสัมมาเนสเนี่ยได้แต่ถ้ายังปฏิญาณตนว่าเป็นท่าพิสุอยู่เนี่ยนะก็ก็อบายก็หวังได้เอออันนี้ถ้าเกิดอมีจริงแล้วอวดกับกระหัดนี่ต้องอบับาสท่านไม่ทําำอันนี้ถ้าเกิดไม่มีจริงนะครับแต่ว่าอวดด้วยอกุโซแลจิตด้วยเนี่ยจะมีอบัตาสไหมครับเออไม่มีเออไม่มีจริงเอ่ะ ขอโทษสำคัญผิดนะครับสำคัญผิดว่ามีแต่ว่าก็จะอวดอันนี้มีอวบไหมครับอ่าก็อธิมานะเนี่นะก็ไม่ไม่เป็นอบัวบเพราะประราชิกอันนี้นะไม่ไม่เป็นประราชิกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าโอ้อวดนะครับก็อที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าถ้าพิจารณาโดยแยกคาเนี่ยถ้าอวดแค่ครั้งเดียวตอนแรกมันจะไม่เป็นตรงนั้นหรอกแต่ตอนหลังรู้ว่าตัวเองไม่เป็นแล้วก็ยังยืนยันว่าเป็นอีก อ่ะตรงนั้นแหละจะเสียหายไอ้ครั้งแรกที่อวดเนี่ยไม่แน่ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าคือเป็นอบัตนะนะเพราะถ้าสําคัญผิดก็ไม่ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าอ่าตอนหลังรู้ว่าเอาเราไม่เป็นนี่แล้วยังอวดตามเดิมอ่ะนะก็อันนั้นก็ก็เจริญกรรมมศกตาได้เล ย, เ น, ยนะว่าเจตนาที่มุ่งจะมูสาวาตอันนั้นเนี่ยมีโทษมากเนี่ยนะเพราะว่าการมู่สาวาตบางอย่างเนี่ยนะเป็นอบัตปาจิตี อ่นะมุสาวาทบางอย่างเป็นทุกข์กฎนะสัมปชานมุสาวาททุกขกฎในต้นนิทานปราชิกเนี่ยนะต้นนิทานปฐมในปาติโมกมุสาวาทบางอย่างเป็นปาจิตตีไม่เห็นว่าเห็นเป็นต้นเนี่ยนะมุสาวาทบางอย่างเช่นกล่าวหาเล่ที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะมุ่งปทุสรายภิกษุอื่นก็เป็นสังขาธิเศตแล้วก็มุสาวาทอันนี้ปวดอุตริไม่มีอยู่จริงอันนี้มุสาวาทอย่างนี้เป็น ปาราชิกเนะเพราะฉะนั้นการแทงตลอดอริยสัจในทางพระศาสนาเราถือว่าเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็การผู้ใดผู้หนึ่งถ้าบรรลุจริงเ่นะถามว่าอวดและเพื่อประโยชน์อะไรถามเพื่อประโยชน์อะไรนอกจากสการะและความสรรเสริญซึ่งทารยาทั้งหลายท่านก็สำคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเหมือนเปลือกตมของพรหมจา ร, ร์ซึ่งสการะนั้นบุรุษชั่วละยากเนี่ยนะ บุรษชั่วข้ามยากเหมือนช้างที่ตกหล่นแล้วขึ้นยากฉั้นใดสการะทั้งหลาย น, นะมันเป็นที่ตั้งแห่งมานานุสัยเนี่ยนะฉะนั้นคนที่จะถอนราบสการะเป็นต้นเนี่ยได้ได้ยากนักแลฉะนั้นถึงลงถ้าเกิดของคนที่มีจริงที่เป็นปุถิชนนะครับแล้วก็อวดเป็นอบัตปไจตีแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงเนี่ยมันน่าจะมีโทษบ้างถ้าไม่ถึงประราชิกนะครับ มีอาบัต์ลองลงมาไหมครับเพราะว่าไม่มีจริงสําคัญผิดนะครับสําคัญผิดแล้วก็อวดด้วยเขามีแล้วอวดนี่ยังเป็นอบัตเธออันนี้เนี่ยนะมันมีในความคิดไงเธอมันมีจริงในความคิดไม่มีจริงโดยสภาวะนะมันก็ก็ไม่ได้มุสาอะไรเพราะว่าเขาเขาสําคัญว่าเขาได้บรรลุนะแต่ถ้าเกิดปฏิเจตินี่เขาก็รู้ว่ามีจริงแล้วก็ไปไ ป, ไปแสดงไปอวดกับ อุปสัมันญเนีน่ยนะก็มีอบัตรแต่ถ้าอนุปถัอถ้ากับอุปสัมัญคือพระพิสูจน์ด้วยกันไม่เป็นแต่ถ้ากับอนุปสัมัญเนี่ยจึงจะเป็นเนี่ยนะถ้าถ้ามีจริงนะแต่ถ้าไม่มีจริงอ่ะคืออธิมานะนี่หมายความว่าจริงในความคิดของเขาอ่ะเขาสําคัญว่ามันจริงแต่ว่าไม่จริงโดยสภาวะเนีน่ยนะเหมือนอุปมาเหมือนอะไรเหมือนเขาฝันเนี่ยนะถามว่าเขาฝันจริงไหมจริงสิ่งที่เขาฝันเนี่ยจริงไหม โดยมากไม่จริงเนะนะสิ่งที่เราเร า, เราทั้งหลายที่ฝันฝันกันนะ่ะนะจริงหรือไม่จริงส่วนใหญ่ไม่จริงฝันจริงไหมจริงอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะผู้ที่สาคัญว่าเขาได้บรรลุมันก็เหมือนจากตัวเองเนี่ยฝันเนี่ยนะซึ่งไอสิ่งที่เขาฝันนะไม่จริงอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันน่ะนะแต่ว่าตอนหลังถ้าเอกใจขึ้นมาแล้วรู้ว่าไม่เป็นแล้วยังฝืนตอนนั้นนี่แหละจะลาบากเนี่ยนะ นีนะคือการอุปมาทั้งหลายก็เพื่อจะให้เข้าใจเนื้อความบางอย่างคือถ้าเรามามองพิจารณาในสภาพที่เป็นจริงเนี่ยสมมุติถ้าคุณบอกว่าเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเห็นโทษภัยโดยประการทั้งปวงของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคุณก็คิดอย่างนี้มาตลอดตอนี้ถามว่าถ้ายิ่งคิดอย่างนี้มากๆเข้านีน่ยนะแล้วคุณจะไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ยังไงอ๋ พอพิจารณามากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มวางใจละเริ่มวางใจเป็นกลางอ่ะนะที่ที่ท่านเปรียบเทียบอุปมาว่าเหมือนกับบุรุษที่รักภรรยาของตนมากอ่ะนะตอนหลังก็รู้ว่าเอ๊ะเขาเขาไม่ดีจริงอ่ะนะเพราะเขาไม่ดีจริงเริ่มเห็นโทษละพอเพริ่มเห็นโทษมากๆในที่สุดก็บอกเลิกกันพอเลิกกันแล้วถามว่าไอการเลิกกันนี่เหมือนกับสังขารุปเปฆายานอ่ะนะมันก็ยังเกี่ยวข้องกันแต่ว่าเป็นลักษณะบอกเลิกกันแล้ว ที่เรียกว่าเป็นวางเฉยแบบนี้เฉยแบบที่เรียกว่าเห็นโทษโ ด, โดยบริบูรณ์โดยรอบโดยประการทั้งปวงแล้วแต่ว่ายังสลับโดยที่เรียกว่ายังยังไม่ได้ตายจากกันอะไรข้างหนึ่งเลยนะเพราะสังขารุปเปกขาญาณเนี่ยเขาวางใจและ ว, วางใจว่าวินจฉัยไปในแง่ไหนสังขารทั้งหลายก็ไม่ดีจริงต้องการออกโดยส่วนเดียวแต่ในขณะเดียวกันยังหาพระนิพพานไม่เจอ เขารียกว่าจิตยังไม่แล่นไปในอสังขตธาตุตอนนั้นเนี่ยยอเขาเรียกว่าไม่ได้สงสัยในอสังขตธาตาาุแต่ยังไม่ไม่ทําให้แจ้งในอสังขตธาตุเนี่ยนะคืออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าว่างั้นอันนี้เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยสําหรับหลายๆคนเนี่ยเนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยอ่ตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ ท่านก็เจริญได้ถึงสังขารุเปกขายานแะล้วก็ต้องเลิกเพราะจะคือคําว่าเลิกไม่ใช่ว่าเลิกเจริญนะเลิกน้อมไปเพื่อจะเจริญสูงกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าอัธยาสัยของท่านไม่ได้น้อมไปเพื่อจะเป็นสาวกไงนะท่านก็จะเลิกจะเลิกมนานสิการคุณธรรมชั้นสูงเครียกว่าเริ่มขวนขวายน้อยแล้ว่นะเริ่มขวนขวายน้อยหรือสําหรับผู้ที่ปรารถนาเป็นอัครส า, าวกอสีติมหาสาวก ที่ได้รับพุทธภรรยาอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วท่านเหล่านั้นก็พอไปถึงระดับนั้นก็จะขวนขวายน้อนแล้วคือไม่ขวนขวายเพื่อจะให้ทําให้แจ้งคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะมันเหมือนเขาว่าความต้องการของท่านถึงที่สุดแล้วนะดังัน้นท่านเหล่านั้นก็ไม่น้อมไปเพื่อจะปรัสรู้อันนี้ก็ด้วยเหตุผลว่าความปรารถนาเนี่ยเป็นเครื่องกางกั้นทําให้ไม่ได้บรรลุนั่นเองเนี่ยนะซึ่งอย่างกลุ่มทภาหยะทารุจริยะเนี่ยนะกลับใคร พระกุมารกสปะเป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นไม่ใช่เจริญวิปัสนาธรรมดานะเนร่ะในกลุ่มนั้นที่ไม่ใช่ผู้ที่จะได้รับพยากรมานะั้บรรลุกันหมดเลยพระมหาเทระบรรลุเป็นพระอรหันต์อนุเทระเป็นทระอนาคามีส่วนที่เหลือเนี่ยจะได้รับเอตะทะัคคะด้านต่างๆเลยไม่ได้บรรลุเพราะความปรารถนาที่ที่เป็นเอตะทะัคคะนะ ซึ่งจริงๆพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ไว้แล้วเพราะยังไงในตอนนั้นท่านก็ไม่น้อมใจเพื่อจับจับบรรลุอันนะยังยังไม่น้อมใจในตอนนั้นฉะนั้นสังขารุเปกขญาณเนี่ยนะก็ด้วยเหตุผลหลายๆประการว่าไม่ใช่ผู้ที่จเจริญไปถึงสังขารุเปกขาญาณและจะได้บรรลุ ก, กันทุกคนแต่ที่เป็นเครื่องมั่นใจยอย่างหนึ่งว่าอบายเนี่ยปิดแล้วชาติหนึ่งละชาติหน้ายังไงก็ไม่ไปอบาย แต่ไปสุคติแล้วก็ไม่แน่เนะเพราะว่าการทั้งหลายเนี่ยก็ละยากอีกเหมือนเดิมเ น, นะเพราะว่าตอนในชาตินี้ก็อาศัยสามัถาวิปัสสนานี่คมไว้ใช่ไหมพ อ, อชาติต่อไปไม่มีคำสอนแล้วก็ไม่มีสามัถาวิปัสสนาคมเอาอีกแล้วนะกิเลส ก, ก็เกิดต่ออย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนะี่ยจะว่าใครคนอื่นเลยพระโพธิสัตว์เนี่ยท่าน เจริญนิปป ส, สนามาในหลายพระพุทธเจ้าหลายองค์นะทรงพระไตรปิฎกมาจากพระพุทธเจ้าหลายองค์เลยนะีมากลับนี้ก็ม า, มาอยังว่าเป็นนักเลงสุราอยู่ตามเดิมะนะบางทีบางชาติก็ยังเป็นนักเลงสุราบางชาติก็เป็นนักเลงการพนันบ้างบางชาติก็เป็นแม่ทัพไปเที่ยวข่าเขาทั่วไปหมดเหมือนกันนั้นก็เนี่ยคือวะตตในภูมิสามเนี่ยถ้าใครยังอยู่ยังเกี่ยวข้องก็ไม่ค่อยรอดเพราะฉะนั้นผลแห่งกรรมเหล่านั้นนะเกิดแม้กระทั่งเป็นหนูเพราะโพธิีสัตว์เป็นหนูก็มี อันะเกิดเป็นหนูเกิดเป็นหมูเกิดเป็นโคเกิดเป็นช้างเกิดเป็นม้าเกิดเป็นลิงให้เกิดเป็นเป็ดนี่ยังไม่เห็นไหนปไตติพิดกเคยอ่านเจอเป็ดไหมไม่เจอนะนะอ่าปลาก็มีเป็นลิงเป็นช้างเป็นนกกระทั่งนกคุมอ่ะนะนกคุมก็เป็นเป็นนกเป็นลิงเป็นกลุ่มนี้ยเป็นหมดนะแล้วก็เป็นมนุษย์เนี่ยไล่ตั้งแต่ตระกูลจันท์ารขึ้นมาเลย ตระกูลจันทานท่านเรียกว่าคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาน้ําล้างกานะพวกทิฏฐามังคคาลิกาทั้งหลายเห็นพระโพธิสัตว์เอาน้ำล้างกาเลยบอกว่าแหมวันนี้แย่มากเห็นคนจันทานเหมือนนะแล้วก็บางชาติกินนมหมาเนี่ยนี่เป็นจันทานแล้วกินนมหมาเลยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยนล้วก็คิดดูว่าเออเนี่ยวัดต่าทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้นะขนาดผู้บําเพ็ญบารมีมายัางขนาดนั้นจะกล่าวไปรยายถึงผู้ที่ไม่ได้อบรมบรม่มบารมีมานะเพราะฉะนั้นท่านหลุดไปอบายครั้งหนึ่งแล้วก็ ย้อนกลับมาก็มาในตระกูลที่ตกต่ําเนี่ยนะถ้าตกต่ำเนี่ยตระกูลต่าๆอาชีพว่าทาอะไรอาชีพของคนตระกูลล่างๆเลยนะถ้าเขาไม่ทําตาน า, าตีบัสเขาไม่มีกินเนี่ยนะเพราะแต่ละมือของเขานะี่ยเาะจะไปซื้อปลาตายตลาดไม่ได้หรอกเนี่ยนะเขาะจะไปซื้ออาหารในตลาดเนี่ยนะก็ซื้อเอาแต่เขาไม่มีปัญญาหรอกเพราะฉะนั้นก็ที่ไหนพอจะฆ่าได้ก็ฆ่าราะนั้นก็ชีวิตของเขาแต่ละมือเนี่ยหมายถึงสัตว์ตายเป็นจํานวนมากเนี่นะ กว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ทีนี้ถ้าเขาไม่ได้ฆ่าทําไงเพราะฉะนั้นรักได้เขารักโกงได้เขาโกงขโมยได้ก็ขโมยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะไปถามหาศีลธรรมมาจากไหนมูสาว่าเนี่ยนีย้คนที่ฆ่ามากรักมากทายังไงจะให้เขาปลอดภัยรักษาตัวอยู่ได้ก็มูสาวาเนี่ยนะพอได้ทรัพย์เหล่านั้นมาก็ดื่มสุราต่อทีนี้ถ้าดื่มสุราแล้วศีลข้อไหนยังไม่มาว้างวิบัติทุกข้อเลยกันเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเกิดในตระกูลต่ำไม่พอประโยคน์าก็วิบัติประโยคน้าวิบัติก็กลับไปเพื่อเกิดในอบายทุกติวินิบาตก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้แหละวัตตะมันจึงยาวอนะถ้าถามว่าทําไมเหตุผลเนี่ยวัตตะของเราทั้งหลายจึงยาวหรือเตินเพราะเราไม่น้อมไปเพื่อจะเจริญอริยมรรคเราคิดว่าขันห้าไม่มีโทษเราคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทีหนึ่งก็นู่นแหละตอนไหนตอนที่มันเป็นแล้วอ่ะ ทำอะไรได้คั น, นี้แล้วก็หมดเวลาแล้วแหละ